วันในหลวงพ่อจะแนะแนวในเรื่องภาคปฏิบัติแต่เรื่องทางเรื่องศีลเรื่องพระคุณต่างๆหลวงพ่อก็ได้พูดมาแล้วตั้งสองวันเรื่องคุณบิดามารดาคุณครูประชาอาจารย์ในการอยู่ด้วยกันควรวางตัวอย่างไรหลวงพ่อได้พูดมามากแล้วแต่คืนในหลวงพ่อจะแนะนำเรื่องภาคปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาเรื่องจิตภาวนาเนี่เป็นหัวใจของ พระพุทธศาสนาเป็นหัวใจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านไร้ปฏิบัติท่านเสียสละชีวิตทั้งชีวิตของท่านมาเพื่อหาทางพ้นทุกข์เพื่อปฏิบัติแต่ส่วนภายนอกนั้นการอยู่การกินการเป็นอยู่ต่างๆอันนั้นท่านก็ตามอัตภาพทุกบ้างสุขบ้างร้อนหนักบ้างหนาวบ้างขิวกระหายบ้างอันนั้นท่านไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งขัดขวาง เพล่เพลยังเป็นสิ่งเอื้ออำนวยสำหรับการปฏิบัติของเราอีกต่างหากเพราะเราไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นเราก็จะติดอยู่ในโลกโลกก็นี้น่าอยู่จริงๆนที่ไหนก็สะดวกสบายไปหมดที่ไหนกร่มเย็นเป็นถูกไปหมดความหิวความกระหายร้อนหนาวก็ไม่มีมีแต่ความสุขสบายมันจะติดในโลกนั้นอีกแต่เมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมามันอาจจะเป็นปุ๋ยสําหรับ ใจของเราอีกต่างหากถ้าเราได้พิจารณา อ, อย่างพระในครั้งพุทธกาลฟังฟงดูสิในพระวิัยในพระพุท ธ, ธเจ้าบัญญัติภิกษุอยู่ในมัชชิมะประเทศคือประเทศอินเดียส5บห้าวันจึงอาบน้ำโหนหนึ่งถ้าไม่ถึงส5บห้าวันอาบน้ำต้องปาจิตติผิดศีลไปข้อหนึ่งหลวงพ่อเองก็มองไม่เห็นเหมือนกันคนเราสบห้าวันไม่อาบน้ำเนี่ยจะเป็นยังไงวะ พอประเทศอินเดียก็ร้อนแสนร้อนตับแปรบนะฟังฟังดูสมัยนู้นก็คงสมัยนี้ก็คงจะไม่แพ้กันนะประเทศอินเดียเวลาร้อนก็คนตายนะ่ะเมืองไทยของเราไม่ถึงกับคนตายนะความร้อนนะแต่ทําไมาวินยัยศิลขอนี้เนะี่ยทําไมพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาเนะี่ยเพ็กซูใดอยู่ในมัจจุมาประเทศคือประเทศอินเดียสิบห้าวันจึงอาบน้ําได้ผลหนึ่ง ถ้าไม่ถึงสิบห้าวันอาบน้ําต้องปลาจิตติประเทศเราปัจจันตประเทศอาบน้ําไรเป็นนิดไม่เป็นอาบัดอันนี้คือพระวินยัยชุดนี้คืออะไรคืออย่างพระพุทธเจ้าท่านพระสงฆ์ไปอาบน้ําไปแย่งท่าน้ําของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินจะไปอาบน้ําพระสงฆ์กุดยู้ยืดเยือ้ออย่างคุยกันอยู่อย่างนั้นจนพระเจ้าแผ่นดินเข้าเมืองไม่ได้จนปิดประตูเมือง นายทวารก็ต้องปิดเพราะได้เวลาเพราะเป็นคำสั่งพระเจ้าแผ่นดินผลที่สุดกนเะนี่ยพระพุทธองค์กบอกว่าพระสงฆ์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณบันหยัดพี่นายโอ้สิบห้าวันอาบน้ำมาพิจารณาดูแล้วจะขนาดไหนนี่แหละอันนี็คือถ้าเราเกิดมาในโลกนี่ะมันจะต้องได้พบได้เจอได้เห็นในการเป็นอยู่ทั้งหิวทั้งกระหาย ทั้งร้อนทั้งหนาวถ้าเราไปอยู่ในต่างประเทศอย่างประเทศที่อดอยากอย่างที่พวกเราเห็นจะเป็นยังไงนั่นเป็นเราไปเกิดเช่นนั้นมันทุกข์ไหมในโลก น, ะนี่แหละสิ่งเหล่านี้เราต้องเปรียบเทียบทั้งทางนอกเทียบ้างในเทียบทั้งการเป็นอยู่ถ้าเราเป็นอยู่ร้อนขนาดนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไร เพราะว่ายังมีวิธีแก้ไขยอยู่อาบน้ำอาผ้าก็ได้ไปอยู่ในต้มใตรมไม้ก็ได้แต่ว่าจะให้สะดวกสบายเหมือนกับอากาศพอดีมันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ถึงยังไงเราก็ต้องเรีย น, ยนต้องศึกษาถ้าเรามีทำอยู่ในใจบ้างมันก็เป็นปุ๋ยอีกเหมือนกันเอออย่ามาเกิดในโลกเนะี่ยถ้าเกิดมาต้องอยังี่เจออย่างนี้แหละอันนี้มันเจอน้อยเดียวเองแต่ต่อไปภายภาคหน้ามันจะต้องเจอมากกว่านี้ ไปเจอประเทศบางแหงจนถึงตายเพราะมันร้อนถฐานหนาวตายก็มีอีกร้อนตายก็มีอีกสิ่งเหล่านี้เราก็จงได้คิดมาประมวลมาใส่ตนเองอีกเหมือนกันจากนั้นก็ทําให้จิตใจของเราเบื่อหน่ายไม่มาอยากจะมาเกิดในโลกนี้อีกชาไปที่ไหนมีแต่คงคนยกย่องเฉิดชูบูชาเราก็จะหลงในกคำสรรสเสริญเยียนยอกเขาเหล่านั้นอีก อถ้ามีเขาด่าเอาบ้างเขาดูถูกเกลียดย้ําเอาบ้างเราก็จะได้สํานึกนอกโลกใบนี้ไม่น่าวะอมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเอาบางทีก็ยกย่องก็มีด่าเอาก็มีเอเราเป็นยังไงเมื่อโดนเขาดา่าจิตใจของเราเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ต้องได้เปรียบเทียบอีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าโลกอันนี้ไม่น่าอยู่โอ้จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ โรคอันนี้เป็นโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกเกิดแก่เจ็บตายพวกเราจะมาติดมาค่องอยู่อย่างนี้มันไม่น่าจะถูกนะใจนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจของพวกเราอีกเหมือนกันเป็นธรรมะเข้าสู่จิตใจของพวกเราอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราต้องคิดใช้ปัญญากันกรองไตรตรองเหตุและผลในการเป็นอยู่รอบข้างรอบด้านมองรอบด้าน มองทั้งดินฟ้าอากาศมองทั้งคู่คนที่เกี่ยวข้องมองทั้งการเป็นอยู่ทุกอย่างนะ่ะถ้าเรามองอย่างนั้นแล้วนะใจของเราก็จะหาช่องหาทางจะทํายังไงใจงตัวของเองจะผลจากทุกเนะนี่แหละเวิธีนั่งภาวนาถึงวิธีการนั่งภาวนาเมื่อเห็นโทษเท่านั้นแล้วนะมันก็หาช่องทางเห็นคนนั่งก่อตายพ่อแม่ก่อตายพี่น้องก่อตายวงศาคณาญาติเจ็บไข้ได้ป่วย เห็นเขาแล้วอื้มอีกสักวันหนึ่งข้าไม่รู้จะเป็นยังไงอีกเนี่ยข้าจะเป็นนิ่งนอนใจอย่างนั้นกับเขาไม่ได้นะข้าจะต้องทําตนทําใจนะนี่ก็เตือนใจของตอนเองอีกเอจากนั้นก่อนหาวิธีการพระพุทธเจ้าสอนยังไงขนาดพระพุทธเจ้าเป็นพระมหากษัตริย์นเอมีความสุขขนาดไหนอยู่ในเวียงวงังการอยู่การบริโภคทุกอย่างมีความสุขทั้งหมด แต่พระ อ, องค์ทํำไม่จริงขโมยนี้ออกไปบวชท่าลาธรรมดาท่านลาคนธรรมดาเ่าจะออกไปบวชนะไอ้ผี่น้องประชาชนผลละเมืองทั้งหลายเขาก็จะนอนขวางทางม้าหน่อยให้ม้าเหยียบให้พวกข้าตายไปดีกว่าที่พระ อ, องค์จะหนีจากไปประชาชนเขาคงจะทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์รู้แล้วว่าเอจะไปยังไงจึงจะปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์จึงไม่พูดกับใคร เสด็จไปเวลากลางคืนเลยไปเสด็จเข้าไปไกลที่สุดเนไงจนถึงอีกเมืองหนึ่งกุงราชจะคึกนะนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านหนีออกจากเบียงหวังจากนั้นท่านไปบําเพญลองถูกรองผิดอ น, น่ะนี่แหละอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราอย่าไปคิดว่าเรามีความสุขยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า แต่ถึงยังไงเราก็ต้องถือพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างจากนั้นพระองค์นั่งทําสมาธิทําอย่างไรนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนั่งสมาธิทีนี้ยังไงจึงจะพ้นทุกพ้นทุกในวัฏฏะสงสารถึงแดนพระนิพพานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินพานั่งเราคนนั่งอย่างนี่แหละเคยบอกเคยสอนเคยกล่าวมาแล้วนั่งเหมือนพระประธาน นั่งขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกไหวครูสก่อนคือไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆ ค, คือตรอมจิตเข้ามาเป็นจุดหนึ่งจุดเดียวมาอยู่ในกายของเราไม่ให้ส่งจิตออกไปข้างนอกให้อยู่ในกายมีความรู้สึกอยู่ในกายของเรานสรุปแล้วก็คือให้เราเฝ้าบ้านไม่ให้ทะเลทลายออกไปข้างนอกถ้าเราส่งออกไปข้างนอกแปลว่าเราส่ง เจ้าของบ้านนี้ออกไปนอกบ้านไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้แต่นี้บัดนี้เราจะพยายามไม่เจ้าของบ้านอยู่ในบ้านคือให้อยู่ในกายไม่ให้ไปที่ไหนให้กําหนดอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกใช่ไหมล่นะในเมื่อว่ายพุทธโธธรร ม, มสังโฆจบแล้วก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกได้เลยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหรือจะไม่บริกรรมก็ได้แต่พ่อแม่ครูบาปายการ อง์หลวงตาท่านบอกว่าบริกรรมนะั้นจะดีกว่าพอเทากาหนดธรรมดาเนี่ยมันจะหลุดออกได้ง่ายจิตใจของเราจะเผลอไผลไปได้ง่าย ต, ต้องบริกรรมหายใจเข้าพดหายใจออกโทรให้บริกรรมด้วยเพื่อจะได้ใจของเราจรึงไปอยู่ในคําบริกรรมนั้นอสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ต้องเรียนเรียนตามพ่อก่อตามครูพวกครูท่านผ่านมาแล้วท่านได้ผลอย่างไร เราก็ต้องปฏิบัติตามที่พ่อแม่ภูบาอาจารย์ที่ท่านได้ผลมาแล้วท่านสอนท่านบอกเอาไว้เราก็บริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโทพุทธโธเลอเมื่อเราบริกรรมเราไม่คิดไปในอดีตใจของเราไม่คิดในอนาคตถ้ามันเผลอเผลอทําไงเอากลับมาอีกตั้งจิตให้เข้มแข็งกันอีกแต่ไม่ถึงกับเพ่งนะแต่ตั้งสติให้เข้มแข็งเหมือกนการนับเลข เมื่อกันเรานับอะไรก็ตามถ้ า, ามันเผลอไปเราก็ต้องตั้งสติใหม่เมื่อเราสวดมนต์เหมือนกันพอสวดมันหลงเออมันหลงมไมมันหลงเราก็ต้องตั้งสติให้เข้มแข็งอีกเราจะต้องจดจ่อในคำพูดของเรามันก็จะไม่เผลอนี่พเหมือนกันเรานั่งภาวนาถ้ า, ามันเผลอเราก็ต้องตั้งใหม่อีกให้จดจอ่อจดจ่อเข้าไปอีกให้เข้มแข็งขึ้นสติของเรา คนที่สุดมันก็อยู่ได้ถ้ามันยังเผยเอาบริการไม่ทีเข้าไปพุโทโธพุทธโทพุโทโธย้ำอ ย, อยู่ตรงที่ตัวรู้รู้อยู่นะั่นให้พุโทโธอยู่ตรงนั้นไม่ให้มันไปที่อื่นแต่ไม่ต้องพูดออกเสียงออกปากเท่านั้นให้พุโทโธอยู่ในใจะนี่แหละสิ่งเหล่านี้ก็มันมีมากมายหลากหลายในการภาวนาหรือว่าให้มีสติอยู่กับตัวเองเวลาเดินก็เหมือนกันเดินก็ให้มีสติในการเดิน ก้าวเดินไปให้มีสติจะก้าวช้าก้าวเร็วอย่างไงก็ได้สรุปแล้วให้มีสติในการเป็นอยู่ถึงจะยืนอยู่ให้มีสติไม่ต้องก้าวยืนอยู่นิ่งอเฉยๆก็มีสติว่าเรายืนอยู่ขณะ น, นี้ยืนอยู่มีเรามีความรู้สึกตั้งแต่ศีรษะศีรษ ะ, ะจนถึงฝ่าเท้า <Okay. S 1> อ่ะเนี่ยอันนี้เราก็ให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอด อันนี้คือสรุปแล้วก็คือการภาวนาเนี่ยถ้าว่าเราขาดสติแปลว่าเราขาดภาวนาแปลว่าขาดนั่งสมาธิแปลว่านั่งอยู่เฉยๆเรานั่งโดเดนั่งคิดนั่งอ่านอะไรก็ไม่รู้สติไม่อยู่กับตัวเองแต่ถ้าว่าเรามีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดนั่นแหละคือนั่งภาวนามีสติอยู่กับตัวเองจากนั้นอีกสักวันหนึ่งอ่ ไม่นานพูดอย่างนั้นได้ถ้าเมื่อเราเข้มแข็งเราจดจ่อยอยู่ใจของเราคนจะเข้าสู่ความสงบได้จิตใจของเราคนเน่งสงบจิตอะลรจิตใจของเราพักเข้าสู่ความพักพักใจพักเหมือนกับเราเข้าไปเหมือนกับเราเข้าไปนอนเราไปพักเรานอนคือเราพักกายเราพักร่างกายแต่ว่าใจของเรามันยังฝันอยู่มันยังหลุดลอยไปอยู่ ใจของเรามันยังไม่ไม่เน่งแต่บัด น, นี้เรานั่งอยู่ดีๆนะเราพยายามให้ใจมันพัก อ, อกายก็ให้มันนน่งตแต่ใจก็ให้มันมีสติในการพักจิตของเราจะได้พักผ่อนเมื่อจิตพักผ่อนจิตนน่งนี่แหละเมื่อจิตเน่งจิตได้พักผ่อนแล้วจิตเป็นเอกเทศจิตไม่มีอะไรเข้ามารบกวนไม่เกี่ยวเนื่องกับส่วนอื่นแล้วนะใจของเราก็จะเน่งพอนิ่ง ผ่านความสงบไปแล้วเถึงมเมื่อผ่านความสงบไปส่วนหนึ่งเราก็คิดได้แล้วเออมันจิตสงบเนี่ยกายกับใจเนี่ยมองเห็นได้ชัดเลยรู้ได้ด้วยตนเองแล้วว่ากายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่ก่อนเราก็ยังไม่รู้ไม่เห็นว่ามันเป็นยังไงแต่บัดนี้เรารู้แล้วว่ากายกับใจชัดเจนเลยเป็นคนละอันกันอย่างไทยจะพูดก็บอด ตายแล้วเกิดได้ตายแล้วศูนย์เราก็มั่นใจเพราะว่าใจของเราเนี่ยตัวเนี้ยตัวใจน่ยมันไม่ตายไม่ตายแ น, น่แน่เพราะมันเด่นชัดเหลือเกินแต่ส่วนร่างกายนั่นก็คื อ, คอแก่เจ็บตายก็ต้องมีเหมือนกับเราท่านทั้งหลายได้เห็นฮะอันนี้มันยอมรับในใจนะธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะปัจจตัง อ, อผู้ปฏิบัติย่อมรู้ด้วยย่อมรู้ย่อมเห็นด้วยตนเองเออถ้าว่าไม่ปฏิบัติรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ ไปบอกกาวให้คนอื่นกับพูดก็ให้ฟังอย่างนั้นเป็นผู้แนะแนวท่านเองแนะนำท่านเองเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปจับสติของเขาสมาธิของเขามัดแน่นในจิตของเขาไม่ใช่ทำไม่ได้เขาเองเป็นคนทำเองเขาเองเป็นคนปฏิบัติเองเน่ยพราะพระไตราจารว่าเราไม่ใช่เป็นผู้นำเราเป็นผู้ชี้หนทางเราเป็นผู้แนะนำเป็นผู้ชี้หนทางให้เท่านั้นเดินอย่างนี้นะ ถ้าไม่เดินกับสุดแท้กับเจ้าของถ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชีน้นําเดินออกจับปิญญาณพาเดินนะเทวทัตคงจะไม่ตกนรกอเวจีนะเพระพระพุทธเจ้าเป็นผู้เมตตมีมหากรุณาที่คุณเป็นผู้มีเมตตาอยู่แล้วแต่นี่มันทําอย่างนั้นไม่ได้มีแต่แนะนำท่านเองแนะนวท่านเองถ้าพวกเราไม่ปฏิบัติพวกเราไม่รับรู้ไม่ปฏิบัติตามแล้ว ก็ช่วยไม่ได้พูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะนั่งภาวนาพยายามสู้ร้อนบ้างหนาวบ้างหิวกระหายบ้างเหนื่อยบ้างก็ต้องสู้สู้จนสุดความสามารถหลักเอื่อยังค่อยยอมแพ้มันไม่ใช่ว่าปบแบบมาหน่อยเดียวแล้วก็ยอมแพ้มันไม่ได้นะธาตุขันนันนี่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้นเมื่อเราไม่นั่งภาวนา เรานั่งคุยกันมันก็ปวดเหมือนกันแต่เราไม่ได้ถือมันเราก็พลิกซะเราก็ทำอย่างอื่นบางทีนั่งคุยกันเตื่องสนุกสนานเผิดเพลินเฮฮาเป็นวันวันคืนคืนเราก็ยังนั่งเล่นโบกเล่นไพ่นี่มีมากมายที่เรานั่งนานๆแต่พอนั่งภาวนาไม่ถึงห้านาทีเราก็ทวงแล้นั่งภาวนาเนี่ยปวดแข้งปวดขาเนี่ยัแหละตัวกิเลกกิเลสภายในใจของเรามันมาทวง อย่านั่งอย่านั่งอย่านั่งฮอมันว่าใช่ไหมเดี๋ยวมันจะหนีจะฆ่าเดี๋ยวจะเห็นในโทษเห็นอนันในจังทุกขังอน้าตานะเดี๋ยวจะพ้นทุกไปอย่านั่งอย่านั่งฮะกิเลสมันทวงฮนะผลในสูดเราก็เออใจใช่ใจมีความสุขจริงวะกิเลสมันทวงได้ไงฮะเราก็ปฏิบัติตามกิเลสผลในสูดก็กิเลสก็อยู่ในจิตใจของเราทวงไปเรื่อยเหยียบจิตเก็บใจของเราเพราะนั้นสิงเหล่านี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายนะฝืนมันบ้างนะ แหาเวลาหิวกระหายร้อนหนาวเจ็บปวดอะไรเราก็ต้องฝืนมันบ้างให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธในเมื่อจิตสงบเป็นพื้นฐานพอสมปวรแล้วเราก็นำมาพิจารณาใช้สติปัญญาพิจารณาในกรรมฐานห้าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนอันนี้แหละคือทางออกส่วนหนึ่งในเมื่อพิจารณากรรมฐานห้า แล้วก็พิจารณาเข้าไปจนถึงร่างกายทุกๆส่วนของร่างกายเนื้อหนังเอ็นกระดูกม้าหมหัวใจตับผังผืดทุกอย่างอจากนั้นเราก็เห็นของไปเที่ยงของร่างกายจากนั้นกน็ให้เบื่อกระทั่งร่างกายร่างกายเนะ้าใจเนะ้าอย่าไปติดไปไปข้องอยู่ในร่างกายจนเกินไปนะอีกสักวันหนึ่งนะถึงเราจะเลี้ยงดูขนาดไหนก็เถอะในะนะใจนะ จะต้องแยกจากกักแนแน่แน่ไม่เป็นอย่างอื่นตายแน่ไม่เป็นอย่างอื่นนะใจนะอันนี้คือสอนใจตนเองในเมื่อสอนใจใจสอนใจจะรู้เห็นแต่ชัดเจนมันไม่เบื่อมากก็ต้องเบื่อน้อ ย, ยแหละท่นนี่แหละวิธีการปฏิบัติสู่ธรรมะนะขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะในการภาวนานถ้าได้ขนาดนี้เห็นใจของตอนเองแล้วเพียง ไม่ถึงก็เบื่อนายคายหลุดพ้นเห็นใจของตนเองเท่านั้นเห็นกายเห็นใจเท่านั้นอ่ะอันนี้ก็น่าว่าเป็นบุญมหาศาลแล้วเอเป็นบุญกุศลมหาศาลเพราะมันเห็นใจและเห็นกายมันจะไม่หลงโลกผงทางอีกสักวันหนึ่งมองอะไรก็มองได้มันจะไม่หลงถึงจะมีลาบมียศมีสนเสริญเดินยอมาอย่างไรก็ตามมันไม่หลงเพราะอีกสักวันหนึ่งเราก็จะทิ้งมันอยู่แล้วเราจะได้ไปอะไร ทำไมเพื่ออะไรเราจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้มันพอเห็นใจเท่านั้นแหละแหมมันจะต้องมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างรอบด่างรอบด้านรอบข้างของพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการภาวนาเนะี่ยสรุปแล้วก็คือให้ดูกายดูใจดูใ จ, ด, ใจดูกายจะถึงยังไงทำจิตใจให้สงบวิธีการทําให้สงบนะั่นคือนั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้า รู้าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกบริกรรมหายใจเข้าพุทธให้ใจออกโ ท, โ ท, โ ท, โทนะพุทโทพุทโทพุทโทนะนี่แหละถ้าอยู่ถึงจี่อยู่ในบ้านก็เถอะเราก็ควรจะนั่งภาวนาห้นาทีสิบนาทียี่สิบนาทีเมื่อโอกาสอำนวยนะเป็นการฝึกซ้อมไปเรื่อยๆอีกสักวันหนึ่งเมื่อมีโอกาสโอกาสดีๆในที่สงบสงัดเราก็พยายามพุ่มเต็มที่เลยนั่งภาวนาให้นานให้เห็นอนุจังทุกขังอนัตตา ให้เห็นความเกิดแก่เจ็บตายเบื่อหน่ายว่าร่างกายสังขารเนี่ถึงจะเลี้ยงอย่างไงก็เอถอะทนุถน้อมอย่างไรก็เถอะนคําว่าหนุ่มไปข้างหน้าไม่มีแร้วมิต่จะแก่เท่าชราไปเลยผลสุดก็ถึงจุดจบอย่างเราท่านได้เราจะเห็นมาแล้วมากต่อมากนะพ น, นักข่อยพวกเราทุกท่านนะอันนี้คือวิธีการภาวนาวันนี้ก็ขอแนะนําเพียงเท่านี้ก่อนเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะ